ต่อไปนะว่าองค์ประกอบ5้าอย่างนั้นการรู้ว่าสัตว์มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่าเนี่ยเป็นบุพภาคแปลว่าเป็นเบื้องต้นของตานาฏิบาติส่วนความพยายามที่จะฆ่าเป็นองค์ประกอบให้วัฏกะเจตนาปรากฏชัดนะก็คือสมมติว่าเ จ, เจเจตนาที่คิดจะฆ่าเนี่ยชัดหรือไม่ชัดก็สังเกตที่ความพยายามนั่นแหละวัฏกะนี้แปลว่าจิตคิดจะฆ่านะ วัฏกาเนี่ยก็คือวัฏกาก็คือฆ่านั่นเองนะวัฏกาเจตนาก็คือเจตนาฆ่านะทีนี้ว่าปานาติบาตนั้นมีประโยชนะ์หกนะเรียกว่าประโยคหมายถึงประโยคแห่งการฆ่านะวิธีฆ่ามีอยู่หกอย่างหนึ่งสาหัติกะประโยคนฆ่าด้วยมือตัวเองเอกลับมาเรื่องเก่านิดได้ไหม ไอ้เรื่องห้าองค์เนี่ยฮะห้าองค์เนี่ยมันถ้าอทา่านไม่ครบลองยกตัวอย่างหน่อยทีครับเช่นสมมุติว่าไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยที่บอกว่านี่รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตใช่ไหมครับคือคือสำคัญที่สุดก็คือข้อข้อหนึ่งข้อสองอ่ะนะสัตว์มีชีวิตแล้วเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสัตว์มีชีวิตจริงแต่เราคิดว่ามันตายแล้วเนี่ยคิดว่ามันตายแล้วเราก็ไปไ ป, ไปตัดคอมันเลยว่างั้นเถอะถ้าคิดว่าตายแล้วก็ มันไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ไม่ครบองคอง์นะไม่ไม่ครบปานปฏิบัติตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ถ้าเรารู้นะสมมุตินะเราเอาสมมุติมันมีใครอยู่ในล้อมฟางอ่ะนะอยู่ในกองฟางเลยเราก็เสียบดาบเสียบเม็ดไปเก็บใช่ไหมเสียไปปุ๊บรู้ว่าสัตว์เนี่นะโอ้ตายซะไรก่ก็ดีอ่ะนะพยายามให้ตายเลยอันนี้เนี่ยแสดงว่าฆ่าแต่ถ้าเป็นแม่อยู่ในนั้นเป็นนันทิกรรมไปถ้าเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยนะอ่ะนะ สมมุติว่าจิตคิดจะฆ่าสมมุติว่าในที่กระโจมผ้าอยู่กระโจมหนึ่งไงไหมมีคนหรือมีอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะจริงๆแล้วเป็นพ่อแม่เราเราสำคัญว่าเป็นเป็นสุนัขอย่างเงี้ยฆ่าไปนี่ก็เป็นอนันติกรรมคือไม่ได้เป็นประมาณว่ารู้ว่าเป็นพ่อหรือไม่แต่เอาว่าผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นใครถ้าจิตคิดจะฆ่าเนี่ถือว่าเป็นอนันติกรรมเลยนะใด้เนะ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 พระไตรปิดก91เล่มอยู่เล่ม2ในสมานตะปาสาธิกา น, นะทุติยภาพขยายไว้ค่อนข้างละเอียดละเอียดหน่อยอ่าถ้าเป็นวินัยบัญญัตินี้พระ อ, องค์ห้ามไม่ให้ฆ่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี้เป็นอบัติทุกกฎแต่ถ้าฆ่าคนอื่นเป็นอบัติปาราชิกห่างกันมากมามหาศาลอนนฆะ่าเด็กสมมุติเราทํายานะเราเป็นหมอ ผลิตยาอ้าวกินเข้าไปแก้วหนึ่งกินนะเด็กแท้งเลยอย่างเงี้ยกับฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายบาปน้อยแบบให้ยากินแล้วแท้งนั่นแนะ่ะเพราะว่าให้ให้กินยาแบบนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการฆ่าเป็นปรารชิกเลยถ้าเป็นพระนะแต่ถ้าฆ่าตัวตายนี่เป็นอบับบททุกกฎและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครศึกษาในปไตยบิดกดดีดีนะพระอรหันต์บางองค์ฆ่าตัวตายเช่นพระโคติกัดพระฉันนะ พระชันนะนี่ก็ฆ่าตัวตายนะพอฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยท่านนึกว่าท่านได้ดีไปแล้วอนะนึกว่าท่านบรรลุไปแล้วทีนี้พอฆ่าตัวตายปั๊บนิมิตปรากฏแล้วก็อาศัยนิมิตนั่นแหละเจริญวิปัสสนาเป็นผ้าหันชีวิตสมะศีสีนะโอหมดกิเลสมากกวหมดชีวิตเอาไหมเอานะแน่ใจนะไม่าช่เอาไหม คือไม่มันต้องบรรลุก่อนตายตายแล้วบรรลุนี่ไม่ใช่แล้วต้องบรรลุก่อนตายอ่ะมีหลายองค์นะพระโคธิกะที่ที่พยมมายามตามหาวิญญาณเนะ่ะนั้นก็ท่านก็ฆ่าตัวตายแล้วท่านก็เปปรินิพานอันน้พระที่ฆ่าตัวตายและปรินิพานหลายองค์แต่ทีนี้ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าฆ่าตัวตายถ้าฆ่าแบบสมัยก่อนนะ เขาวางแผนเรียบร้อยหมดอ่ะเขาจะเจริญนิปัตนาอย่างไงจะเจริญกุศลอย่างไงเอาพูดนี้ไม่ได้ไม่ได้ชักชวนเพื่อตายนะแต่เล่าว่าสมัยก่อนอ่ะนะพระสมัยก่อนที่ท่านฆ่าตัวตายนะั้นส่วนใหญ่ท่านรู้แล้วว่าอ่าพบต่อไปเนี่จะไปยังไงท่านควรจะคิดอะไรในขณะใกล้ตายแต่สมัยนี้ตายแล้วก็น่าจะฟีอ่ะคือดูท่าแล้วก็แหมบาปนี่ทํำให้ต่างเยอะแยะมากมายคิดจะหนีปัญหาโลกนี้ใช่ไหมปัญหาโลกหน้าเนี่ยหนักกว่าเก่า ใครเคยอ่านในเปรตวัตถุบางเรื่องใช่ไหมเขามีนาไออาณากันหลานเน่ยนาเนี่ยคือหลานเนี่ยไปขโมยของบางอย่างมาก็เอาของเนี่ยมาทิ้งไว้ที่บ้านนะทีนี้อเจ้าหน้าที่เขาตามมาจับเขาว่าไอ้นาเนี่ยเป็นคนสั่งสอนแนะนําให้ขโมยเพราะฉะนั้นเนี่ยนาโทษประหารหลานเสียบเสีย บ, เ ส, ยบเสียบเหมือนปลา เ, ลเสียบเล้าไว้ ทีนี้นาเนี่ยก็ดเป็กเขาเป็นคนพูดจริงเขาเป็นคนพูดจริงชมคนที่ควรชมนะเขาชมคนจริงๆแหละคนดีเนี่ยเขาชมหมดอ่ะเขาไม่ตีนีคําชมใครหรอกแต่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนาเนี่ยไปไปอาบน้ํากับเพื่อนเพื่อนมีร้อยคนก็ชวนกันไปอาบน้ํานี้พออาบน้ําคิดจะแกล้งเพื่อนก็เลยขโมยผ้าเพื่อนอไปซ่อนไว้เพื่อนจะได้ลุกขึ้นจากน้ําำไปแก้ผ้าใช่ไหมก็ไลยหัวเราะเล่นสนุกสนุกไปงั้นเลยแต่แล้วก็คืนผ้าให้คืนนั่นแหละ ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ตรงร้านเขาเนี่ยบ้านเขาเป็นร้านทีนี้ในถนนหน้าบ้านนี่มันแฉกเขาก็เลยเอากะโหลกศีษะวัวเนี่ยไปวางไว้ให้คนได้เดินเหยียบผ่านไปผ่านมาทีนี้เวลาถูกฆ่าตายอะก็มาเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตแก่ผ้าไอ้โทษที่ไปรักผ้านั่นแหะแกะผ้าทีนี้ไอ้อันนี้สงที่ไปเอาเอ า, เอากะโหลกเนี่ยไปวางให้คนเหยียบเนี่ยนะทำให้มีม้าขาวนะเสร็จแล้วอ เป็นเปรต แ, แก้ผ้าขี่ม้าขาวเนี่ยมาบอกหลานอยู่ทุกวันเอ้ยอย่าตายเลยนะอยู่อย่างงี้ทนทนอยู่ไปเถอะว่าไงขนาดถูกเสียบก้นเลยนะเขาบอกจะเพิ่งตายเลยเอาถามมาทําไมอะ่ะพอตายแมันตกนรกง่ายๆเลยถูกเสียบเนี่มันเบาหน่อยใช่ไหมโทษโทษน้อยอะ่ะก็เทียบกับนรกแล้วโอ้โหนรกมันมากมายมหาศาลเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเวจีนะอะมองเลยพันหกร้ยกิโมตรเนี่ยนะถ้ามองเห็นปุ๊บตาบอดทันทีนะ แสงสว่างเนี่ยแรงกว่าดวงอาทิตย์ัหมประมาณรัศมีพันหกพันหกร้ยกิโลเมตรเนี่ยตาบอดถ้าอยู่ใกล้จะขนาดไหนนะเขาบอกว่าสมมุติเราเอาฟืนสดๆเนี่ยมาสมเป็นกองโตๆเลยนะเอามาไฟของอเวจีมาเท่ากับแสงหิงห้อยเนี่ยนะเพึบเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะคือไฟมันพุ่งเนี่ยนะมันมั น, มนไม่ไม่ธรรมดาเคยเห็นเขาตัดเหล็กตัดเหล็กห ไปใช้แก้ตัดเหล็กเนี่ยนะเหล็กถ้าเท่าเสาเนี่ยเป่าไม่กี่ครั้งเนี่ยขาดเลยนะนะ <c oughs> เป่าพรวดพวดเนี่ยนะไอท้ทีนี้มันพุ่งมาหกทิศอะ่ะ <c oughs> อย่างอย่างถ้าเทวทัตุเนี่ยถูกตรึงไว้ใช่ไหมแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป่ามาจากทิศข้างหน้าทิศข้างหลังซ้ายขวาบนล่างเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยพ้นมาเลยแต่ก็ไม่ตายถ้าบาปรกรรมไม่สิ้นสุดทีนี้ถ้าหาว่ากุศลจิตเราไม่เพียงพอนะถ้าหนึ่งนะถ้าอริยมรรคกุศลยังไม่เกิดนะ โซดาปฏิมักยังไม่เกิดเราคิดว่าเราพ้นไหมวันนี้ชาตินี้พ้นลแล้วอย่างเงี้ยยังไงชาตินี้เราพ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นเป็นมนุษย์แล้วนี่ชาติหน้าเออเจริญกุศลมากอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาพอไปเกิดเป็นเทวดาไปทําอะไรครับนี่พอเกิดเป็นเทวดาส่วนใหญ่นะถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เหมือนชาตินี้แหละชาตินี้ทําอะไรมากใช่ไหมนิสัยเก่าๆไปหมดอ่ะอุปนิสัยเดิมอะ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 อยู่ข้างล่างคอยประดับอีกข้าร้อยพอกําลังเก็บดอกไม้เพลินเนี่ยจุติไปเกิดในโนรกหมดเกลี้ยงเลยนะเฮ้บริวารเอาหายไปไหนหมดนะเหลือไปข้างล่างเนี่ยอา้าวอยู่โน่นหมดเออแล้วเราอาจจะไปไหนเนี่ยรู้ด้วยเถ้าเราจุติเนี่ยจะต้องไปนั้นด้วยอ่าถ้าเป็นเทพมีอนุภาพมากจะรู้คติที่ไปของตัวเองนะถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นคนมีบุญเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าเราจะต้องไปไหนต่อพอรู้อย่างนั้นทํายังไงแบบนี้ เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าไงไปถามปัญหาแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็เลยรอดไปนะแต่ว่าไอ้ห้าร้อยนั้นเรียบร้อยแล้วน <c oughs> ั้นเราถ้าเราประมาทในเจตนาของเราเนี่ยจึงน่าเป็นห่วงมากแลอย่างหนึ่งสังสารวัฏเนี่ยนะถึงชาตินี้เราทำไม่มากนะและชาติที่แล้วไปเก็บไปไหน <c oughs> เพราะว่าให้ผลชาติหน้าแค่ดวงที่เจ็ดเท่านั้นเองนะ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 2ถึง6เนี่ยมาชาดหน้าชาดหน้าเนี่ยระวังไอ้สองถึงหของชาติที่แล้วอ่ะแล้วก็ดวงที่เจ็ดของชาติเนียวิธีไหนครับแล้วมันมีกี่สกิวิธีครับไม่รู้กี่วิธีก็ถ้ามีโอกาสมันให้ได้หมดอะ่ะนะแม้แต่อุทจารยสมประยุทธ์ก็ให้ได้แต่ก็ให้ไปเป็นพวกประเภทอุ ป, ปปีและกระกรรมพวกเนี้ยไปเบียดบัางแทนที่จะเป็นกุศลสมมุติว่ากุศลเนี่ยจะให้ผลร้อยหนึ่ง อกุศลบางอย่างตัดเออเอาไปแค่สี่สิบก็พออ่ามันสามารถมันปาดปาดกันได้มันตัดร้อนอะไรกันได้ถ้าตัดามไม่เกิดนะยังไงก็เรียนไม่ได้เชื่อเถอะเขาก็มีพระอินทนระ์ลงมารีบลงลงมาถามปัญหาธรรมะก่อนเลยเนะพระอินทร์เนี่ยนเขาจะนัดกันไปเที่ยวสวนรีบลงมาถามปัญหาพระผู้มีพรภาคมาถามนายจูละตันหาสังขยาสูตรมาถามปัญหาสั้นๆแล้วกลับไปกลับไปนี่พระโมคคัลลานะเนี่ย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 เออท่านพระโมคขาลานะพูเจริญเนี่ยเที่ยวชมปราสาทผมนึ่งวันชวนเที่ยวดูชมเวทยยันตะปราสาทสูงห้าร้อยชั้นอ่ะทีนี้พอขณะที่กําลังเที่ยวอยู่พลึนนั่นแหละพระโมคขาลานะก็อธิษฐานเจริญอโปกสิลใช่ไหมเข้าอโปกสิลอธิษฐานให้ปราสาทข้างล่างเหมือนกับน้ําแล้วเอาโป้งเท้าเนี่ยกดกดปราสาทใช่ไหมมันก็สั่นระเทือนเหมือนแผ่นดินไหวงี้ยนั่นแหละนางฟ้าเนี่ยร้องกันน่าดูเลยพระอินเนี่ยสั่งเวทใจเลย บอกคณะถามใหม่เออเมื่อกี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงว่ายังไงนึกได้กันเนี่ยจําได้แล้วเพราะว่าต้องมีเหตุตลดใจอ่ะจึงจะจําธรรมะได้อะ <c oughs> ไม่สลดใจเนี่ยจําไม่ได้สักอย่างเลยอะจะเที่ยวย่างนี้ยว่ะพองหูกิจจาประมธุระเข้าธุระเขาก็คือตัดสินใจสมมุติว่าเท <c oughs> พพรธิดาไปเกิดในสี่แยกอย่างเงี้ยมันจะตกถึงเทพบุท้องไหนอย่างงี้ยนะตัดสินงานประเภทนั้นเนี่ อ๋านะเงี้ยเดี๋ยวมันเทพประบุจะทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการมาคุณทั้ง5้าอยู่เท่านั้ น, นวันๆหนึ่งท่งานพระอินทร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนกับเปรตนนที่ใช้คําว่าเหมือนกับเปรตก็คือสแสวงหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวล า, านะก็คือพระอินทร์ในองค์กรโนู้นในเนมิราชาดกกล่าวไว้อย่างนั้น อ น, นัประโยคแห่งการฆ่าหกที่ว่าก็คือหนึ่งฆ่าด้วยมือตอนเองนี้ไม่สงสัยสองอนัติกะประโยคใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอนั น, นก็คือสั่งสั่งเขาอ่ะสามนิสกิยะประโยคด้วยการคว้างอาวุธไปปล่อยอาวุธไปอันนะั้นก็เหมือนกับสมัยใหม่เนี่ยนะอาวุธที่มันยิงได้ไกลอ่ะ น, นะพวกนี้เรียกว่านิสกิยาประโยคน์สี่ท้าวอประโยคนฆ่าด้วยเครื่องมือที่ทําไว้ประจํา เล่าว่าถ้าผู้ใดคิดสร้างอาวุธนะอาวุธในการฆ่าถ้าคนนั้นเนี่ยสร้างคิดไว้เพื่อให้ฆ่าเลยนะถ้าเขาเอาไปฆ่าร้อยคนเราได้บาปร้อยครั้งด้วยถ้าเขาไปฆ่ามากเราก็บาปมากงั้นถ้าเราจะสร้างปืนสักอันหนึ่งนะเอาไว้ให้ฆ่าหรือสร้างดาบมาสักอันหนึ่งเป็นดาบที่มีความคมมากฟันฉับเดียวนี่คอขาดอย่างไงถ้าแล้วเราให้ดาบเนี่เราเจตนาตั้งไว้เพื่อฆ่านะ เขาไปฆ่าหนึ่งพันคนเราก็บาปหนึ่งพันฆ่าเท่าไรเราก็บาปเท่านั้นนะดังนั้นพวกที่สร้างอาวุธประเภทอาวุธถาวรเนี่ยจึงน่ากลัวมากเลยนะประเภทฆ่าอาวุธเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่ที่อุบาสกไม่ควรทําพำดังนั้นเป็นอาชีพที่ที่ไม่ควรไม่ควรเจริญเลยเจริพรนั้นโทษของสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวมากดงนั้นคนหัวดีๆแล้วก็ใช้หัวไปในทางที่ สมมติว่าคิดประดิษฐ์ยาพิษขึ้นมาอย่างเงี้ยทําวิจัยเพื่อที่ประดิษฐ์ยาพิษอันเนี้ยประกอบกันนี้เข้าจะเป็นยาพิษชั้นหนึ่งอย่างเงยฆ่าแล้วโหวคนเอาสูตรนั้นไปใช้เนี่ยมันบาปมากขนาดไหนมันความรู้บางอย่างเนี่ยมันก็เพื่อเขาเรียกว่าความรู้ที่เกิดกับคนพาลมีเพื่อค่าส่วนแห่งสุ ก, กะสุกะธรรมของเขามาว่าความรู้ของคนพาล น, นั้นมีเพื่อค่ากุศลของตัวเขาเองเลย เขามีความรู้อันนั้นอันนั้นแล้วน้อมความรู้อันนั้นไปใช้ในการฆ่าเป็นต้นก็เหมือนถ้าหากว่าอุบาสกอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีคนก็บอกว่าถ้าคุณไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขายอมถูกฆ่าเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาฆ่าไก่นะบาปมันจะมากมายขนาดไหนกับเทียบกับถูกฆ่าแล้วเขารักษาศีลว้ได้ศีนเนี่ยทําให้ไปสู่สุขติแน่นอนนั่นแหละ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 นนะเราเข้าไปเกี่ยวข้องสภาพจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกสิ่งเลยนะเช่นมีนาฬิกาและเกี่ยวข้องกับ น, นาฬิกาอันนี้อย่างไรอันนี้แหละคือของเราแท้ๆเลยนะเขาจึงเรียกว่ากรรมมัส ก, กตาไงส ก, กะนี้แปลว่าส ก, กะของตนกรรมเป็นของตนะสัตว์มีกรรมเป็นของตนอั น, อนเจตนา ม, มันจะให้ผลในขันธสันดานของของคนคนนั้นนั่นเองนั่นแหละนี้แล้วแต่ว่าใครมีความ เข้าใจในเรื่องเจตนาขนาดไหนว่าเจตนานี่มีโทษอย่างไรให้ผลกี่ระยะให้ผ ล, ผลอย่างไรเนี่ยนะถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยเนี่ยรับยากมากหรือคนประเภทอุเฉ ท, ทิฐิเนี่ยจะรับไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งก็เกิดจากถ้าคนทําชั่วมากๆเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฐิได้ที่เป็นปัจจัยก็คือถ้าบาปบาปมีจริงแล้วเขาเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหม อ่าส่วนหนึ่งนะคนที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เพราะเขาบาปเกินไปก็พูดอีกนัยหนึ่งว่าชั่วเกินไปที่จะศึกษาพระธรรมได้นะเช่นศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยเอออกุศลเจตนามีผลเนี่ยถ้ามาศึกษาแล้วอกุศลมีผลแล้วโอ้ฉันเกิดมาเนี่ยแทบไม่เคยทําบุญไว้เลยฉันจึงเข้าจึงรับไม่ค่อยได้หลายคนนะที่เรามารู้จักเนี่ยเขารับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้เพราะเขาเข า, เขาเจตนาเขาวิบัติมาก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 นิมิตแห่งจุติจิตคืออะไรก่อนที่จะจุติจิตจะเกิดก็คือกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนั้นอ่ะแล้วแต่กุศลหรืออกุศลนะกรรมนิมิตอ่ะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือชนิดไหนมากถ้าของเราก็นึกถึงพระไตรปิฎกก็ยังดีนะกรรมนิมิตการนึกถึงพระไตรปิฎกนี่แจ๋วเลยนะได้กรรมนิมิตอ่ะกรรมนิมิตนะพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยตาเออนึกถึงภาพพระไตรปิฎกไว้ ดังนั้นคตินิมิตกับคตินิมิตตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ภาพแต่ถ้าหากว่าคนเข้าใจดีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนคตินิมิตได้ะถ้าฉลาดจริงๆเลยนะคตินิมิตเปลี่ยนได้เหมือนกับภาพอรหันต์หลายองค์เนี่ยท่าน่าตัวตายแม้ก่อนจะตายเนี่ยท่านเห็นภาพนิมิตท่านรู้ทันทีเลยว่าท่านยังไม่ได้เป็นภาพอรหันต์ท่านก็เจริญวิปัสสนาขณะนั้นเลยนะในขณะที่ภาพนิมิตเกิดขึ้นก่อนจะตายเนี่ย ถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในคําสอนอยู่แล้วเนี่ยนะตรงนั้นมีอะไรบั่งที่ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมเขาขณะนั้นก็ยังมีขันธ์ธาตุยตะนะอันอุปกรณ์แห่งการอบรมปัญญาขณะนั้นก็มีแต่ถ้าขณะนี้ไม่เคยอบรมเลยนะไม่ต้องพูดถึงขณะนั้นแล้วถ้าขณะนี้วิจัยอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะตอนป่วยมากๆเนี่ยธรรมะก็เอาไปไกลๆหน่อยสํคาคัญอย่างนั้นแต่ถ้าอบรมไม่มากๆละ ตรุ่ยๆใสยใจมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราได้ต่อไปนะว่าวิชามยะประโยคค่าด้วยอานาจคุณสายก็คือคอ่าด้วยไสยศาสตร์แล้วก็หอิทธิมยะประโยคค่าด้วยการบันดาลฤทธิ์อธิบายในประโยคเหล่านั้นโดยย่อๆนะอยากพิสดารก็นูอนอ่านในสมันตะปาสาธิกาตติยะปราชิตก็แล้วกั ว่าบรรณาประโยคทั้ง6อย่างนั้นประโยคแห่งการฆ่าที่บังเกิดขึ้นด้วยมือของตนชื่อว่าสาหติกะประโยคคือฆ่าด้วยมือตนเองประโยคที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการสั่งบังคับผู้อื่นว่าเชื่อว่าอนติกะประโยคนคือการใช้ให้ผู้อื่นฆ่าประโยคที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการยิงด้วยลูกศรการพุ่งด้วยหอกเป็นต้นออกไปเชื่อว่านิสกยประโยค นะฆ่าด้วยการคว้างอาวุธไปปล่อยอาวุธไปประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการขุดหลุมพรางเป็นต้นชื่อว่าถาวรประโยคนะฆ่าด้วยเครื่องมือที่ทําไว้เป็นประจำนะขุดลุมนะามาถ้าสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เขาดักสัตว์ใช่ไหมเขาจะไปขุดหลุมไหมถ้าสัตว์เดินลงมาก็จะตกหลุมนั่นไง <c oughs> ศึกษาประธรรมบ้างมาเอ๊ะหนีอะไรกันแน่ <c oughs> หนีความคิดตัวเองกันแหละนะถ้าหากว่าเราหนีความคิดที่ชั่ว จเจริญความคิดที่ดีได้มากขนาดไหนก็ประสบความสำเร็จเท่านั้นแหละนั้นถ้าหากว่าเป็นภายนอกทั่วไปจะไม่นีศัตรูแต่ศัตรูภายในที่น่ากลัวที่สุดก็คือบาปอากุศลนั้นการศึกษาพระธรรมก็เพื่อเพื่อที่จะหนีบาปอากุศลเหล่านั้นนั่นเองแหละทีนี้ต่อไปนะว่า ค่าประโยคที่สําเร็จด้วยการร่ายมนเหมือนการร่ายเวทมน์ของหมออาถรรพ์เป็นต้นชื่อว่าวิชามยะประโยคค่าด้วยอํานาจคุณไสยหรือว่าไสายศาสตร์นั่นเองประโยคที่สําเร็จด้วยฤทธิ์อันเกิดแต่กรร ม, มวิบากพึงเห็นเหมือนประโยคของผู้มีฤทธิ์นะนะให้สัตว์มีพิษขบกัดเป็นต้นชื่อว่าอิทธิมยะประโยคเรียกว่าด้วยการบรรดาลฤทธิ์นั้นทาเวสวร์นเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นพระอริยะเนี่ยนะ เท้าเวสุวรรณนี่จะมีตาอีกตาหนึ่งตาที่สาม <inequality> บอกว่าตานี้ถ้าโกรธยักษ์ธรรมดาเนี่ยมองเนี่ยยักษ์จะตายมาก <Yellow> สมัยที่ไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ฆ่ามานันใ้น้อยเหมือนกันนะเท้ามหาราชอ่ะทาจาตุ ม, มหาราชเนี่ยอาวุธพระอินเนี่ยถ้าหากว่าสัดไปนะวัชราวุธของพระอินเนี่ยก็มียนุภาพมากนะจะปัดดานให้ฆ่าขนาดไหนก็ได้เพราะฉะนนั้เขาบอกว่าคนยิ่งมีบุญเท่าไหร่นะ โอกาสที่จะได้ทําบาปกวามากเท่านั้นสมมุติถ้าเรามียศมีเดทมีอํานาจขนาดไหนน้อมอํานาจนั้นไปเพื่อการฆ่าเนี่ยเหมือนเป็นฮิเลอร์เนี้ยก็ตายเท่าไหร่ฮิเลอร์ฆ่ายิวอย่างเดียวก็ประมาณหกล้านลนะยิวเนี่ยตายประมาณหกล้านยิ่งใหญ่ยิ่งโกงเป็นพันล้านโอ้ถ้าทํามากๆเข้าแล้วทีนี้บาปมันหมูทํามันให้พนะ้นสังสารวัตรเนี่ยมันจะหมดที่เนาะ แนะสงสารวัตเนี่ยก็เรียกว่ายาวเลยอะและอีกอย่างหนึ่งนะกรรมบางอย่างอย่างคนที่ที่หัวดีๆแล้ววางแผนฆ่ามากๆเนี่ยนะน้่าสงสารเ่ยนะถ้าหากว่าเกิดเป็นเทเนี้ยคนพวกนั้นเนี่ยมาเกิดเป็นญาติเราสงสัยป่วยบ่อยน้าดูเลยนะพาไปส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมกรรมของการฆ่าสัตว์ให้ผลอย่างเบาวที่สุดคืออายุสั้นนะแต่ก่อนฆ่ามันก็ต้องทุบตีบ้างไหมมันก็ป่วยบ่อยอะ ัารพวกโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆนี่ก็คือประเภททําเหตุชนิดนี้แหละให้ฉลาดเท่าของเบ้งเนี่ยมาไม่เอาเนี่ยของเบ้งเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยวางแผนฆ่าเนี่ยพวกของเบ้งฆ่าคนประมาณสองล้านห้าวางแผนฆ่าเนี่ยนะไอที่ว่าเผาเป็นเรือเป็นร้อยลําเนี่ยร้อยเอ่อร้ อ, ไร อ, อะไรนะร้อยหมื่นอ่ะอันนั้นก็ของเบ่งอาวางแผนนะ คือตอนตอนนี้นะเราพอศึกษาเรื่องกรรมอย่างนี้ทำให้เราเห็นว่าน่ากลัวที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมนะกายวาจารเรากายวาจาเรานี่แหละหน่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะถ้าเราไปปล่อยให้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะส ม, มมติถ้าเราไปเกิดเป็นบางอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นเสือใช่ไหมเสือกินเจมีหรื อ, รอเปล่าเ <c oughs> สือกินผักเนี่ยมีมีหรอกมีเสือกินผักหรอ ถ้าเกิดเป็นพบบางอย่างเนี่ยตถ้าเกิดเป็นงูเนี่ยกินอะไรไงูงูกินผักบุ้งนีปะเกิดเป็นงูไม่กินผักบุ้งนะนั่นแหละที่ ด, ดูว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์บางประเภทนะมันบาปเกือบทั้งชาติเลยอั้นสมมุติถ้าเราอิ่มปั๊บเนี่ยต้องสัตว์อื่นต้องต า, ตายอีกหลายตัวะปานาติบาตเนี่ยมีมากมายหมหาศาลมันโทษของ กรร ม, มวัดเนี่ยจึงมากมายมาอาจารนนะัแล้วก็พอกรรมเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะสมมติอกุศลมันให้ผลสัตว์ส่วนใหญ่พออาคุศนให้ผลปับ๊บอาคุศลจะเกิดต่อทันทีเลยอาคุศลวิบากจะทําให้เกิดโทสะง่ายนะเพราะแล้วก็ไอ้ผลของกรรมเก่านี่มันก็เจ็บแสบอยู่แล้วทํากรรมใหม่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขคติของคนพานเนี่ยจึงหายากมากนะถ้าหากว่าเผลอไปต่ํานะ ถ้าไปอบายแล้วเนี่ยจะกลับมาจากอบายคืนเนี่ยยากมากเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเนี่ยบุญเก่าค่อนข้างมากอปราระเริยเจตนาของเขาอ่ะจะมาให้ผล น, นำเกิดในภพที่ดีก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงบ้างแต่ถ้าหากว่าคนที่สะสมอกุศลไว้มากๆเนี่ยนะก็คิดดูว่าโยม่ยุงย่งเนี่ยมันมากขนาดไหนเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะปลานี่ก็ไม่ใช่ใ น, น้อยเลยเนาะ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 โอ้สาทุ่งตาแล้วขอให้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างงี้เนี่ยถ้าอย่างงี้นี่ก็ตัวหน้าเป็นห่วงอันกุศลประเภทวิวัตตาเนี่ยเจริญมาให้มากๆถ้าเราสะสมกุศลประเภทวิวัตตาไว้เยอะๆนะพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเราได้แต่ถ้ากุศลประเภทวิวัตตาไม่เคยเจริญเลยอะ่ะทําบุญก็ปาธนาบรูปเสียงกลี่นรถอยู่แค่นั้นอะ่ะส่วนใหญ่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะโปรดข้อไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีบารมีเก่านะพระองค์ช่วยไม่ได้พระองค์จะสงเคราะห์คนที่มีบุญเก่า มีบุญเก่าเต็มเปี่ยมเหมือนกับแสงสว่างมันอยู่ในตุ่มอ่ะพระพุทธเจ้าไปเปิดให้นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าเลยนะและคนอื่นเนี้ยฆ่าต่างมากมายทําไมไปโปรดแค่องค์ูริมาณอยู่คนเดียวโจรอื่นๆทําไมไม่ไปบ้างอ่ะ <laughs> เพราะโจรอื่นๆไม่มีของเก่ามาก่อนไม่มีบุญเก่ามาก่อนอันั้นคนที่สะสมบุญเก่าถึงชาตินี้ไม่ได้ตรัสรู้ทำแต่ยุคต่อๆไปใช่ไหมถ้าพระสีอานไม่ได้บรรลุ ก, ก็ไปในาศาสนาของพระเจ้าประเศษที่โกศล ศาสนาของพระเจ้าเปรเนตนี่โกศลไม่ได้ก็บศาสนาองค์ต่ อ, ตอไป mm hmm. คือถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะทำให้เราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยนะนอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะที่ที่จะช่วยพึ่งทางความคิดของเราเนะยเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยเราไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรเลยพูดอยนนั่นก็บาปพูดอ น, นี้ก็บาปทาอย่างนั่นก็บาปทาอย่างนี้ก็บาป แต่ถ้าเรามีพระรัตน์ตรายพระรัตน์ตรายจะคอยบอกเราเลยะจะคอยบอกเลยนะเห็นคนนี้ต้องทําตัวเราต้องเจริญกุศลแบบนี้นะจะเห็นคนนี้ต้องเจริญกุศลแบบนี้ดังนั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคจึงมากอันถ้าหากว่าเรามองคําสอนนะถ้ามองคําสอนหนึ่งคำเหมือนกับเพชรหนึ่งเม็ดแล้วเมื่อ น, นั้นเราจะศึกษาได้อีกนานและจะไม่เบื่อหน่ายเป็นธรรมรัตนะนะแต่ถ้าหากว่าเรามองอุ๊ยมากจริงๆเลยนะ การแสดงว่าก็เหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วพ่อแม่มีทรัพย์เยอะนะโอ้รวยขนาดนี้เลยแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ไหวเนาะแต่บอกโอ้ยิ่งดีที่คาสอนยิ่งมากเท่าไหร่นั่นแหละคือทรัพย์ของเราอย่าลืมอย่าปล่อยให้ทรัพย์คือศรัทธาเราหายไปอย่าปล่อยให้ทรัพย์คือสุตะเราเสียไปเพราะว่าสุตะนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งปัญญาดังนั้นการฟังด้วยดีเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา อันปัญญาเนี่ยจะได้จากสุตตะอันในขณะที่เราศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นนั้นเราก็มีทรัพย์และอันถ้าชีวิตของคนมีทรัพย์ก็ไม่ต้องกลัวขัดสนนะขอให้เอาทรัพย์ภายในกันนะ่เนาะ